ใช้แต่สมองมากจนหัวใจรีบพอจะให้แผ่เมตตาก็แผ่ไม่ออกทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเมตตานะแต่ว่าก็าไม่ได้ฝึกมาในทางนี้แต่พอรู้วิธีแล้วก็กทำได้เหมือนกันคนเหล่านี้มาให้มาให้เจริญสติก็เจริญสติลำบากนะเพราะว่าใช้แต่ความคิดใช้แต่ความคิดมาดู มาดูกายดูใจจะใช้ความคิดวิเ ค, คราะห์ความคิดนี่มันเอามาดูไม่ได้นะมันมันไม่มีหน้าที่ดูมันมีหน้าที่วิเ ค, คราะห์แยกแยะจะใช้จะดูได้มันต้องอาศัยใจอาศัยตาในก็คือสติถ้าไม่ดูใจเลยนะใช้แต่ความคิดเนี่ยพอจะมาดูใจให้มาดูว่าตอนนี้เนี่ย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 ซึ่งจริงก็เป็นธรรมดาทนะุคนเราไม่มีข้อจํากัดมันเก่งด้านนึงก็โง่ดนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่เหลือแต่ว่านี่แหละเมื่อเราจต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้เราก็ต้องรู้ขแต่การเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สมัยคือรู้ว่าตัวเองมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างการเรียนรู้ที่สําคัญ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 ในนวัออากการเนียาตารูปแบบแล้วในออา ก, การเรียนรู้นะการสึกจากสิ่งรอบตัวนะจากเหตุการณ์จากประสบการณ์ต่างๆก็สําคัญอันนี้มันเป็นหลักทางการเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมการเรียนรู้ทางโลกน อ, อยจากเรียนในห้องเรียนแล้วนอกจากการอ่านหนังสือนัองหาแล้วก็ก็ต้องเรียนจากประสบการณ์จากชีวิตจริง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 ไม่มีรูปแบบไม่มีหลักสูตรการเรียนรู้ทางธรรมก็เหมือนกันนะมันก็ต่กกอรก็ไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวแมแต่สายพุทธการนะก็วิธีการประลุธรรมของแต่ละคนก็หลากหลาย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 แบบแผนก็คือเรื่องวินยัยศึกษาบทมีอะไรบ้างอันอย่างงี้ทำได้อย่างงี้ทําไม่ได้ศึกษาบทก็เยอะมากนะตอนตอนนั้นก็คงจะหลังจากที่พระเจ้าได้ตั้งคณะสงฆ์ได้ยี่สิบปีแล้วมั้งวินัยก็มากขึ้นศึกษาบทก็มากขึ้นมากขึ้นมากข้อไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ทำไม่ได้ ปีษาบทมีทั้งอาบาัตมีทั้งเกี่ยวเรื่องอาบัตน้อยใหญ่เยอะแยะไปหมดท่านก็คงจะทำถูกถูกผิดผิดนะนะก็ถูกตำหนิอย่างนี้ก็นีอาบาัตอย่างนั้นก็อาบาัตก็เลยทอดแท้ในจะสึก อุบาชาก็ไม่อยากศึกก็เลยพาไปฟฝ้าพุทธเจ้าคร mm. าวนี้ก็ให้เหตผลว่าอยากศึกพ้าอะไรนะ mm. มันมีแต่เรื่องที่ทำไม่ได้ ม, มีแต่ข้อห้ามทั้งนั้นข้อห้ามทีอย่าไปหมดพุทเจ้าก็เลยถามว่าถ้าให้ปฏิบัติข้อเดียวจะจะทำได้ไหม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 เป็นเป็นอุบาของพุทธเจานะ้าที่ได้เห็นว่าเหมาะสำหรับพระรูปนี้อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปสิทธพัสดิรีบุตนะรนักปฏิบุตรก็ให้ไปพิจารณาอสุภากรรมฐานพิจารณาเท่าไหร่ก็จิตใจก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยคือไม่เกิด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 ความก้าวหน้าขึ้นให้พิจารณาดอกบัวดูดอกบัวที่มันที่มันเบ่งบานสวยก็ยจะดึงเอาดอกบัวมาเด็ดดอกบัวพ่านนะไม่ใช่ดอกบัวในสรกทีแรกมันก็สวยดีแต่ตอนหลังก็ค่อยร่วงก็ค่อยโรยก็ค่อยเหี่ยวท่านพิจารณาก็เห็นนะความ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 การเรียนรู้ยังเกิดขึ้นได้นะนอกห้องเรียนแม้จะ่จบปริญญาเอกแล้วยังต้องเรียนรู้ยังมีอะไรต้องเรียนรู้เยอะหลายคนพอจบปริญญาเอกแล้วก็เลิกเรียนรู้แล้วคิดว่ารู้ตัสรู้หมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นความหลงที่ยริงการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวจากประสบการณ์ชีวิตนี่สําคัญหนะรือว่าไอประสบการณ์นี่มันเป็น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 ความที่จะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เกิดพัฒนาการขึ้นได้ครูบาอาจารย์ที่เก่งนี่ก็ก็จะหาทางให้สิทธ์นี้ได้ไปเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกใจเพื่อได้เรียนระู้จากเหตุการณ์เหล่านั้นอาจารย์สุมเมทโธนะีท่านเล่าว่าสมัยที่บวชใหม่ๆหลวงพ่อชา ก็ไม่ถึงกับบทใหม่ก็คือพอจะพูดภาษาไทยได้แล้วพูดภาษาไทยได้ระดับหนึ่งพอที่จะเทศได้ก็คงได้เทศได้ออกงานอยู่หลายครั้งนะแล้วมีคารา้หนึ่งก็เป็นการเทศในงานที่ไดที่หนึ่งสักแห่งนะ ที่ไม่ใช่หลวงหนองปราพงแล้วก็จู่ๆก็สั่งให้อาจารย์ซูเมทอลใงส่วนชาวอเมริกันเนี่ยไปเททยลมฟังสามชั่วโมงโดยไม่ทันได้เตรียมเลยแล้วก็กำชาบว่าถ้ายังไม่ครบเวลาห้ามลงห้ามลงจากธรร ม, มาในตอนที่ตอนเทศเนี่ย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 ให้ไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้เป็นการลดอัตราว่าท่านบอสนิสายคนอเมริกันนี่ก็เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากอิธอันหนึ่งก็เป็นผู้ที่หวังผลสำลิดด้วยพูดไปก็อยายให้คนชื่นชมพูดไปก็ต้องพูดให้ดีเพื่อคนชื่นชมนะ ถ้าใครไม่ชมถ้าใครไม่ยอมเราก็เสียใจนิสัยแบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่ า, ชาเช้าคงเห็นนะว่ามันมันต้องแก้ไขเลยก็เลยส่องนิดไปเลยให้ไปเทศสามชั่วโมงให้ไปให้ไปเจอกับความล้มเหลวซึ่งซึ้งหน้ามันจะได้ลดอัตราลดอัตราตรวตน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 ปฏิทิทั้งวันเลยตอนเย็นหลวงพ่อชาก็เรียกให้พระยันตธรรมโมเนี่ยมามานวดโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าท่านไม่เคยไม่เคยเรียกใครมามาทําแบบนี้ให้มาอุปถาใกล้ชิดตอนนั้นเปิดพระใหม่ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อชา่าได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงพ่อชาสองรสองก็ปลืม้มระหว่างที่นวดก็ปลื้มไปด้วย จู่ๆนะไม่ทานรู้เนรู้ตัวนี่หลวงพ่อชาก็ถีบยอดอกกระเด็นเลยตกใจโอ้กําลังเปิ่มนี่ถูกถีบไม่ทานรู้เนรู้ตัวแต่หลวงพ่อชาก็พูดเนี่ยจิตใจไม่มั่นคงพอเจออะไรไม่ถูกใจก็ขัดเคืองนพอ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 ก็เป็นประสบการณ์ที่ท่านไม่ลืมเลยนะเพราะว่ามันทำให้เตือนใจว่าต้องรู้จักต้องรู้จักทำใจให้ให้มันคงเอาไว้นะอันนี้บางทีเรียนจากไปเรียนจากการปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้นะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันมีอารมณ์ฟูฟ่องอารมณ์หรือว่าอารมณ์ที่ พคตรถูเศร้าหมองแต่ก็นักปฏิบัติก็ไม่เคยเก็ตเท่าไหร่ก็ปล่อยใจไปตามอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าเจอแบบลงแบบท่านอาจารย์ธรมโมเจอลูกถีของว่าชานี่ก็มันก็เตือนใจได้ดีนะเวลาใจลอยก็ต้องเตือนแล้วอยต้องทําใจให้กลับมาเป็นปกติใจฟูเมื่อไหร่ก็เตือนใจกลับาปกติเวลาใจแทบนื้อให้กลับมา เป็นปกติอันนี้ก็ถือว่าได้ได้ของดีกับหลวงพ่อชานะถือแม้ทีแรกนี้ท่านตกใจมากแต่พอดูหลวงพ่อชาตำหนิเนี่ยก็ร้องไห้เลยร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งนะว่าท่านสอนบทเรียนทีที่ ที่แรงแค่เดียวนะคนเราบางทีต้องเจออะไรแรงๆนะมันถึงจะได้เรียนรู้หลางอาจารย์สุมเมโทนะั้นก็เจอนะเจอบทเรียนที่แรงๆก็ทำให้เรียนรู้เรียนรู้ที่จะทำใจเปนะ็นสละจากจากคำชื่นชมสารเสรอือหรือคำตำหนิไม่ยอมรับ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 เาจะต่อต้านก็ไม่เคยได้เห็นเห็นใจตัวเองจากเหตุการณ์เหล่านี้เลยนะสิ่งที่เร า, าทุกนเนี่ยนะเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นนี่นะอย่างที่หลวงพ่อคเคุณได้บูชาบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากแต่เพราะว่าไม่ ไม่คิดที่จะเห็นมันแต่เข้าไปเป็นนักทีจริงให้เรามองตั้งแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างสิ่งที่ขัดขืนใจเราเนี่ยนะมันมาสอนให้เราฝึกฝึกให้เราเนี่ยเห็นนะไม่เข้าไปเป็นความปวดความเมื่อยก็เหมือนกันความเบื่อก็เหมือนกันนะความโกรัวก็เหมือนกันรู้น่าจ เลี้ยงหน้าเข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นไม่ค่ไปเป็นเราก็จะได้เรียนรู้อะไรได้เยอะเลยแลวฝึกให้เราให้จิตใจเรามั่นคงนะไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมเพึ่งจะเพื่อ ม, มลงานการเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงจากความทุกข์จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี่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 เวลาเจอสภาพที่มันเรียบๆปกติราบรื่นเนี่ยกลับบอกว่าเบื่อเบื่อแต่ว่าไม่ยอมไม่รู้จักเบื่อทีก็ไอภาวะจิตที่มันขึ้นลงขึ้นลงกระชากขึ้นกระชากลงอย่างนั้นเนี่ยงที่มาเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าฟูแฟดฟูแฟกฟูแฟดฟูแฟูเวลาหลายครั้งก็ไม่เบื่อสักที